เทศอบรมพระวันที่สิบสองกุมภาพันพ ธ, ธ์พุทธศักราชสองพันห้ารอยยี่สิบสามเทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ก็ดีเป็นคติไม่ให้ลืมตัวสิ่งใดก็ตาม ถ้าเป็นเองเกือนขึ้นเหนาอของแล้วมันก็ชัดตัวกิเลสนี้ตัวเห็นแก่ตัวตัวรีตัวไถตัวกดขี่บังคับผู้ใดก็ตามมันเป็นอยู่ในจิตไม่สแสดงอาการออกมาอย่างนั้นก็ตามแต่ภายในจิตมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งภายในจิตเพราะนั้นกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจของเรามากมายนั่นเราไม่มีโอกาสทราบเพราะเราไม่มีเครื่องทดสอบ หนึ่งเขาจะปกือเขารู้ว่าแหล่ตรงนั้นถธาตอยู่ตรงนี้เขามีเครื่องทดสอบเครื่องตรวจเครื่องอะไรอเขาก็รู้ก็เห็นอันนี้ยิเลศภายในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีเครื่องทดสอบถ้าไม่ใช่ทำเท่านั้นมันมีอะไรที่จะทดสอบยิเลศประเภทต่างๆได้เพราะฉะนั้นโลกที่มีความเดืดร้อนเพราะมันโดยไม่รู้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นภัยแต่ตัวเองเพราะไม่มีธรรมเป็นเรื่องทดสอบเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่เห็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็อยู่ในอำนาจของมันกดขี่บังคับเผารนมาทั้งหมดเท่าไรในภายในจิตใจของพระองค์ตอนเมื่อใดส่อเสแสร้งหาธรรมคือมีคุณธรรมพอทุกงกควรแล้วหรือส่อเสแสงือหา ทางเริ่มเห็นโทษของกิเลสมาตั้งแต่เริ่มความเกิดแจ่เจิตายมันเป็นของคู่กันหว่านะักนักค้นอย่างนั้นสักถึงหกปีแทบจะเอาชีวิตไปไม่รอดจิตนึกโดยพพบเห็นธรรมมันเป็นที่ปลื้มใจแล้วเห็นโทษกิเลสอย่างเต็มพระทยัย เช่นเดียวกับเห็นคุณค่าของธรรมเต็มพระทยัยพนํนอันนั้นแ่ะทีนี่นำทั้งโทษทั้งคุณออกมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบโทษของความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของจิตเหลดทั้งมวล น, นั้นมันให้โทษแก่สัตว์มากน้อยเพียงไรแต่เพออย่างที่พานานจิตใจของสัตว มีอยู่เป็นประจำการเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติอันเป็นสิ่งเครือบแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นมีเป็นพักๆเป็นตอนๆส่วนกิเลส ก, กับใจนั้นไม่เคยมีการแยกจากกันเลยตลอดโธงในทรงชาติอย่างชาัดเจนนี้จึงนำออกสังสอนสัตว์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 เมื่อใจได้สัมผัสกับธรรมแล้วย่อมจะทราบคุณค่าเข้าไปโด ย, ด ย, ดยลังเลและมีความขยันหมั่นเพียรเพราะเหตุว่าจิตสัมผัสกับธรรมเพิ่มมากน้อยกิเลสก็เริ่มสงบตัวเข้าไปไม่ค่อยเพ่นพ่านตามอารมณ์ของตนเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีสิ่งหักห้ามมีสิ่งด้านทานได้แก่ธรรมที่ อยู่ในใจดวงเดียวนั้นแต่ใจดวงนั้นได้สัมผัสทั้งสองรถด้วยกันแล้วรถที่ดีจิงเป็นเอกให้ติดใจแล้วนำความดีอันนั้นมาเป็นเครื่องต้านทานยึดทดสอบกับกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดับไปมีสติปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญที่จะทดสอบแยกแยะ ก, กำจัดกันออกได้โดยลาดับ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 ความเห็นแก่ตัวมันก็หมดอะไรอะไรขึ้นคือว่าอ อ, อ, ออกมาจากเรื่องของกิเลสแล้วมันหมดไปโดยประการทั้งปวงนี่มันต่างกันที่ตรงนี้นั้นเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีอยู่ในใจมากน้อยแล้วความเห็นแก่ตัวความสงวนตัวก็คือสงวนตัวกิเลสนั่นเองไม่ใช่สงวนอะไรนะมันมีอยู่เป็นประจำนอกจากไม่แสดงออกมาเท่านั้น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 วันนี้นอาหารที่เราให้สัตว์ตัวนันเนียมหนาดมากก็มากินแต่ก่อนตัวนันเนียมนาดน้อยก็ได้กินทีหลังถ้ายังมีเศษมีเหลืออยู่บ้างหากไม่เ็จเหลือแล้วก็ยอทมทนจนกระทั่งอดตายไปไม่ได้กินเพราะไม่มีเวลาจะได้กินมีมาเท่าไหรก่ก็ตัวเมียมนาจินมแหมดถ้าอาหารไม่เพียงพอมีแต่ตัวเนียมหนามากกินนี่เราเห็นได้อย่างชัด นีส่สายของสัตว์มันออกมาจากไหนทําไม่จะออกมาจากตัวพิเรศซึ่งเป็นเหมือน ก, นกันกับอยู่ในใจของมนุษย์เหล่านี้แล้วมันให้ความสบายแก่ผู้อื่นได้อย่างไงทําให้เขาก็เพื่อเราอยู่นั่นแหละไม่ได้เพื่อด้วยเพื่อววความเมตตาได้แท้ๆเมื่อเพื่อความสุกแก่คนอื่นด้วยความรู้สึกใจอะไรเลยหากไม่มีทำเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่อง เทียบเียมกันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นอย่างไรเหมือนกันเรื่องของยจเดนีมือมีทเข้าทศเป็นเครื่องเทียบเทียงกันแล้วไม่บอกมันก็รู้เองเพราะจิตเป็นผู้รับภาระแบกบหามขี้เดลือตประเภทต่างๆมาสักเท่าไหร่แล้วว่าเป็นภาธนะอันโสโครกของเจเดนี่มานานเท่าไหร่แล้วก็มากลายเป็นภาชนะสําหรับรับธรรมซึ่งเป็นของสะอาด ถ้าดีดีเยี่ยมอยู่ภายกิจิตดงเดียวเหตุไดจะไม่สร้างได้ทั้งสองอย่างซึ่งเราเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เจ้าเองนเนื้อลกใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่มีอะไรขึ้นชั่วโลกรรมิรแม่นิดหนึ่งจะเข้าปฏิติตในประไทยทรงสั่งสอนจะลำบากลำบนข น, นาดไหนด้วยพระอํานาจพระเมตาล้วน เท่านั้นประธานทมไว้ก็เหมือนกันพอพูดถึงกันนี้ก่อ น, นมีทุนหนาทุนหมมีมาถามานั้นว่าเกื้อหน้เาไม่อยากเห็นเราเห็นเราอ่านหนังสือธรรมะเพราะว่าอ่านทาไมเราไม่ปฏิบัติจะเกิดผลประโยชน์อะไรในเราก็รู้สึกว่าค้านอยู่ในใจอ่า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 ไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาจกทั้งจิวัดนี้ท่านมีความหมายอย่างไรอันนี้เป็นการตอบได้ดียิ่งกว่าเราจะตอบเชื้อเองเราบอกอย่างนั้นนั่นคนภูมิโน้มมันก็โู่ขนาด น, นั้นรอนได้กล่าบว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ พระสงฆ์สาวกอรหันตทหารท่านครั้งนั้นเราได้กลาวอลไแต่เราก็เห็นเรื่องราวของท่านอยู่ในหนังสือเช่น <c oughs> พวกเราได้นับถือพระศาสนาอยู่ทุกวันนี้ได้นับถือต่อพระพักของพระพุทธเจ้าหรือฮะมันได้จากพระโอวาทที่ได้จบการเรียกเอาไว้นี่แหละเป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นเหมือนกันกับขัางพุทธกา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 การปฏิบัติธรรมเราฝุดแล้วฝุดเราฝุดย่ำอยู่เสมอเรื่องของสติปัญญาให้นำมาใชา้ทุกแง่ทุกมุนให้ว่าจิตนอกการไหอันนี้สำคัญมากนเห็นคุณค่ามากเต็มหัวใจจึงต้องได้ยกขึ้นอยู่เสมอแม้แต่อันสมาธิถ้าไม่มีสติ ให้ปัญญารอบตัวอยู่ด้วยมันก็เป็นมีทางให้เสียได้เหมือนกันถันมีปัญญาพินิจพิจารณาความผิดถูกตัวดีต่างๆมันก็ไม่ค่่ยผาดโผนคนเราย่อมมีการครําควรเป็นเบรกเครื่องห้ามล้อไว้ไม่ให้ผาดโผนเกินไปสติเป็นของสางคัญที่จะดําบับงานให้พึงกําหนดไว้เสมอ ไม่ว่าจิดนอกกลางในมีสติมีปัญญาพิจารณาขาดอันนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ไรยิ่งถึงเวลาที่จะสติปัญญาจะเป็นของสำคัญมากเท่าไรนั้นเรายินจะเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่ได้มาจากการพยายามฝึกฝนอบรมส่งเสริมสติปัญญามาตั้งแต่เบื้องต้น อยูจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาไม่เกิดนะอย่าว่าไม่บอกปัญญาต้องอาศัยการคิดการค้นหาเงีเหตุผลต่างๆทั้งภายนอกภายในเมื่อคิดไปหลายครั้งหลายผลผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ดูดดื่มตามน่านจิดใจแล้วพอใจที่จะ พ, พ, พิจารณาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาที่แตกขแขนงไปไม่มีสิ้นสุดสติก็ตามมันไปเรื่อยๆสติเป็น นายอันหนึ่งนั่นการควบคุมงานทื่เป็นสําคัญอยู่มากในผมอยากเห็นดักและยินหมู่เพื่อนที่ถดอสอนแทบล้มแทบตายมาโดยลำหนักตั้งแต่ออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอยมีรู้ได้เห็นหมู่เพื่อนในรับผลประโยชน์จากการแสดงธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยความเพียรของตน อันนี้ต้องการมากฉั น, นอยากให้ทุกๆท่านเดยพยายามมอบชีวิตจิตใจลงในหน้าที่การงานอันนี้โดยไม่เสียดายใฝ่ฝันกับสิ่งใดทั้งนั้นบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเวลานี้เราก็จากสิ่งนั้นมาแล้วเพื่อทำโดยลาดับเท่านั้นไม่ได้เพื่ออื่นใดให้บำเพ็ญเป็นเ ม, เม็ดเป็นหน่วย เรื่กิตที่มันหลอกตัวเองนั่นแหะมันสําคัญให้อยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่นิ่งมันได้ให้มันอยู่กับธรรมอย่าให้มันออกไปอยู่กับโลกซึ่งเป็นเครื่องกรอบกลัวกิเลสเข้ามาเพิ่มพูนตัวเองให้มากขึ้นให้อยู่กับธรรมอย่นอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับการพินิจพิจารณามีสติคอยควบคุมอยู่เสมอใครทราบเสียว่านักกิตทั้งเรากําลังเป็นนักโทษเวลานี้ ไม่ควบคุมไม่ได้มันจะเป็นนักโทษสองชั้นสามชั้นไปแล้วนักโทษในเรือนจำออกไปทำงานก็ต้องมีนายคุมอยู่ในเรือนจำนต้องมีนายคุมไม่นั้นมันจะไปก่อโทษอีกตั้งมากมายอิจใจของเรามันก็เป็นนักโทษอยู่แล้วมีแต่โทษแตกรรมเต็มไปหมดนายใจิตใจคิดออกไปงี้อะไรมีแต่คิดเรื่องโทษทั้งนั้นถ้ามมนมีสติเป็นเครื่องกากับไม่มีปัญญาพิจารณาทดสอบ กัดลัดกั้นกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วจิตนี้จะไม่มีสถานีจอดนะ้ะเพราะรกิเลสหาฝั่งหาแดนไม่ได้ตัาฑกล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่านัตติตันหาสมานาถแม่น้ำเสมอด้วยตันหานี้ไม่มีกั้งนั้นตันหาคืออะไรก็คือความหิวโหวยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กี่ร้อยกี่พันน สี่พันครั้งคิดแล้วคิดเล่าก็ไม่เคยอินพอในความคิดในความปรุงและไม่เคยอินพอในความหลงเห็นความคิดของตนด้วยน่นมันมีขอบเขตเมื่อไหร่เรื่งกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้เขา้าควบคุมกินแล้วทั้งมีสติปัญญาเป็นเครื่องจะกัดลัดกั้นเอาไว้แล้วทะไมมีขอบเขตเหตุผลมันใดเลยตะเลิดเปิดเปิงหาสาระไม่ได้ทั้งทั้งที่เราก็ว่าเราเป็นนักปฏิบัติ มาฝึกฝนกับลมแต่มันไม่ได้ฝึกฝนถ้ามันมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปล่อยตัวปล่อยใจไปตามหน้าของเตศซึ่งมีกำลังมากอยู่แล้วภาในใจโดยไม่ต้องสงสัยมันพากัรชิดให้ดีเดิอนอย่างนี้พิจารณารอบข้างอย่นี้ มันเป็นที่ไว้ใจได้ที่ตรงไหนแ่นสถานที่ใดไม่มีปา่าช้ามีหรือแในดินเหยียบย่างไปตรงไหนก็นมีเจ็บป่าช้าของสัตว์เกลื่อนไปหมดในตัวของเราก็เต็มไปด้วยปาว่าช้ายังมาหลงกันยงเพลินอะไรความเจ็บความค่าได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกเป็นเครื่องเตือนให้ทราบว่าโลกนี้หาความสุขไม่ได้อยากเข้าใจว่า โลกนี้จะมีความสุขดังความเสืยสันต์ปันรอหรือความสำคัญเฉยมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเนมันหลอกเจ้าของมี ใ, ใครหนักมีความสุขในโลกนี้ไม่ว่าคนโงค่คนเจ้าเลเราไม่ได้ประมาทพูดตามความจริงมันมีได้โดยกันทั้งนั้นนึธิฐานศาสตั์สูงต่ำขนาดไหน มันมีสีสูขขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะให้กิเลสเกียบ์ย่าทําลายจนได้นั่นแะ่ะแล้วมันจะเอาความถูกมาจากไหนเมื่ออยู่ตามหน้าของกิเลสเพราะกิเลสไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดนอกจากให้โทษเท่านั้นโรคจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายจนเจ้าของก็จะตายก็เพราะกิเลสไม่ใช่หรือโกรธก็เหมือนกันตาดําตาแดงเกลียดแค้นให้คนใดผู้ใดแล้ว ฝังอยู่ภายในใจิตใจมันก็เผาอยู่นั้นสงอยู่นั้นตลอดเวลามันเป็นความสุขอะไรหอความหลงยิ่งเป็นเรื่องลึลับมันแทรกอยู่ด้วยทุกอาการของกิตเรศที่แสดงตัวออกมาเห็นว่าความหลงมันเป็นพื้นอันใหญ่โตมากความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาจากพื้นโรคจิตเรศตัวหลงนี่แหละลองทดสอบให้ดี ถ้าเห็นความแปลกประหลาดอัศาจรรย์พานาจิตใจไม่เห็นนี่ไม่ปล่อยนะจะสําคัญสิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าสวยว่างามจะหลอกล่อตอนเองไปด้วยความเพลิดเพลินแล้วหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หาสิ่งที่สนองความต้องการนี้ไม่มีแต่ก็คิดไปแบบลงแรงรงเลยมันนี่เป็นเรื่องของจิตเดชมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้ แต่ทมแล้วต้องมีในจิตมีความสงบแล้วย่อมเย็นใจย่อมมีที่ยึดที่เกาะมีฝั่งมีฝาละตินเริ่มเนี่ยเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกมมันเห็นหมดที่ในตัวของเราทั้งหมดนี้มันมีอะไรมีเดือกองอนิจจงทุกขังาตาอสุภะจุพังเต็มไปหมดรอบตัว มันมีอะไรที่จะดิบกระดีอยู่ที่นี่พอที่จะถือเอาพิจารณาลงไปยังให้จิตมันอาจถึงขั้นบริสุทธ์มันยิ่งชาร์จเ อ, อเเหมือนจ้แบกร่างเนี่ยกระดูกนี่หนังหอกระดูกไปไหนมาไหนก็ เ, เหมือนกันนะถ้าเราจะพิจารณาแบบกระดูกก็เป็นกระดูกแต่จามธรรมดาจิต น, นั้นแล้วก็ไม่ว่าอะไรเช่เนี่ยถ้าหากว่าเรามาเจาะนี่ก็เป็นทันที ก็เป็นตามจริงตามขั้นของสมมุติมันดูในร่างกายตัวเองมันก็คือซากศพผีดิบซากผีดิบดีๆภายนอกภ า, ายในเป็นไปหมดเลยซากศพไม่มีอะไรที่เป็นทีเว้นของซากศพจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าว่าพิจารณาเป็นธาตมันก็เหมือนกับธาตทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยคือมันจริงซะทุกอย่างเมื่อจิจริงซะอย่างเดียวเท่านั้นมันจริงไปหมดอยู่ธรรมนาก็เหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้ ความรู้ก็มายึดเสียนี่แม้จะไปยึดอะไรตั้งแต่ความรู้นี้ก็มันยังไม่ยึดนัน ก, ก็ไม่มีอะไรแต่ยึดจะยึดอะไรรู้แล้วพิจารณาแล้วเห็นแล้วรอบแล้วทุกอย่างปล่อยมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิก็ยังต้องปล่อยตามความเป็นจริงเหมือนกันคือปัจจุบันก็รู้เท่านั้นนะคือปลอ่อยอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดนี่ันจงว่าเสมอเสมอ ไม่เอียงโน้นเอียงนี้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าฝึกได้แล้วจึงนำมาฝึกโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกได้แล้วท่านจึงสอนโลกเหมือนกันโดยลำดับนหนา้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านปฏิบัติท่านรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยแล้วฝึกได้เรียบร้อยแล้วถึงนำมาสั่งสอนพวกเรามีที่ยึด แต่ยังปล่อยไม่ได้ให้ยึดทำยึดไปโดยลําดับลำนาเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดยึดไปเรื่อยเกาะทำมันถูกต้องแนวทางมันถูกต้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่ถึงฐานแล้วมันหางหมดปัญหาตกันเองระหว่างบันไดกับเราไมีปัญหาสายทางที่เดินมาก็เหมือนกันเมื่อถึงที่แล้วหุ่นทางนะั้นมันก็หมดปัญหาเองเพอถึงที่แล้วจําเป็นเราจะต้องประกอบไปโกยขอหุ่นทางไป กอดบันไดอยู่ไอ ต, ตอนที่มันไม่ถึงนี่รัต้องเกาะต้องยึดให้ดีให้มีใจเข้มแข็งมีใจเป็นคนจริงจังอย่าทําอะไรอย่าละเลอะละเลอะ เ, เ, เสียนิสัยสู้กับ ก, กิเลสก็ไม่เรื่องอารมณ์นิสัยละเลอะนี่ไม่ดีทั้งนั้นให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบงังคับตน มันอยากก็ตามถ้าจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ความอยากนี่คือตัวกิเลสให้ทราบทันทีไม่อยากก็ตามแต่ถ้าทำลงไปแล้วเป็นธรรมอันนี้ก็ท่องทัางเมอนอยากเราบาเพ็ญธรรมมันยังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยมันต้องขี้เกียจไม่อยากทำแต่เมื่อเห็นผลแล้วก็มีความขายันมันเพียรขึ้นเพราะผลนั่นเป็นเครื่องดึงดูดอิจารให้พอใจในการที่จะทา การเริ่มต้นนี่สำคัญครูบาอาจารทั้งตั้งหลายตั้งก่เคยผ่านมาอย่างเรานั้นล้มนุกคุข่านตั้งแล้วล้มปายตั้งแล้วล้มไปลายอยู่แต่พยายามตั้งหลายครั้งหนหนก็ตั้งได้เหมือนเด็กหัดตั้งไข่นั่นเนี่ยตั้งปายตั้งหมามก็นั่งได้ยืนได้เดินได้ต่อไปก็เหมือนกับเราธรรมดาไปหมดพราะความฝึกความหัดสติกำลังมีขึ้นทุกวัน กำลังวางฉาเพราะมาฝึกอยู่เสมอนี่ทําความพยายามอย่างนั้นเอาให้กิงให้จางเรียนไม่มากอะไรนี่อยู่เพียงร่างกายอันเดียวเท่ น, นี้ทําไมเรียนไม่จบค้อนทามันเห็นมันจบที่วของจรินหี่ตรงนี้เรื่องมะขคนนิพพานอย่าพาคาดที่ไหนหนนอกไปจากตรงที่มันติดมันคล้องนี่บุกให้เบิกตรงนี้ก็ไปอืม อายุพะมันไม่เห็นก็คือสุภาปิดบังมันอยู่นั่นเนี่ยอันนี้จังไม่เห็นก็ความสําคัญว่าแน่ยนามันคงปิดบังมันอันตาไม่ตาโกดก็เพราะความสําคัญว่าเราว่าเขาอยู่ในตัวูในใจนั่นปิดบังไว้มันก็มีเท่านั้นพิจารณาลงไปตามขัน้นตามภูมิของมันมันสวยเราจะพิจารณาพิ้นความสวยงามมันสวยที่ตรงไหนเนี่ย ก็เอาสุภาเข้าไปจับไปแก้กันทีเอ า, อาสุภาถ้าเป็นทางโลกนั่นเขาเอาน้ำสะอาด เ, อาเขาเอาของสะอาดน้ำสะอาดไปทำละของสสกโปกที่เราพิจาณาธรรมะนี่เอาของสกโปกนี่เข้ามาช้าล้างของที่เราสําคัญว่ามันสวยงามความสวย ง, งามความจริงมันไม่มีสวยมีงามมาถากสาคัญขึ้นพร้อมหน้ากิเลสจึงต้องเอาเรื่องของธรรม อของปฏิกูลซึ่งเป็นความจริงนั้นที่โลกสงสายว่าเป็นของปฏิกุลมาชะล้างกันลบล้างกันนั่นก็เป็นธรรมาาันสะอาดขึ้นมาให่แก้ปัญหานั้นะการพิจารณาไม่ใช่พิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวพิจารณาเป็นพื้นเป็นกิจเป็นการเป็นงานของเราจริงๆไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อการนับนั้นนับนี้ไม่นับเที่ยวนี้พิจารณาเพื่อ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 แต่ะหนัติดของจำหยาบมันที่มันสําคัญเอาให้จริงให้จังทางหน้า่างๆประกอบความภาคเพียรใช้สติปัญญาพิจารณาตัวเองในบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ไหมืนเนะี้ยไม่บอกเพราะเป็นเรื่องอัิยาศัยเป็นเรื่องตัวเองจะพิจารณาเองบางอย่างไม่ก็สอนผมพิจารณาตัวเอง อยากมายุววิธีสังเกตตัวเองในการประกอบความภาคเปลียนกินดื่ม ต, ต่างๆตลอดถึงการหลับนอนแล้วก็ไม่มีทางจะทราบความละเอียดของทาไปได้โดยมดันดะับนะต้องใช้ความสังเกตอยู่ก็เหมือนผันมากเป็นยังไงหนักผันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไง เดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกต ด, ด้วยทั้งๆทีม่มีสติเป็นองค์ประกอบความเปลี่ยนอย่างนั้นแหลยแต่มันยังมีความสะดวกตามไปดีนิสัยต่างกันในท่าต่างๆนี่ก็ให้ชิดนอนมากนอนน้อยเป็นงไงในสหรับผมนี่นอนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์อดนอนธรรมดาผมรู้เจ้าของจริงไม่ได้อดธรรมดา มันเดินจนคมนั่งทํานีา้ผ่อนนาเรื่อยไปสามยาบุตรตลอดดุ่งนี้ผมก็เคยทําไม่ได้เรื่องหัวทื่อเหมือนก็ว่าสมองทื่ออันนี้มันมันเป็นงงๆอะชอบกดอดนอนนีไม่ได้เรื่องสําหรับเราไม่ถูกจต้องหันหันไปทางพ่อนอาหารดีโอทานดีเลยไปเรืเ่อยๆแต่การนอนอาหารนี่ครับ คนไปมากนังปฏิบัติกันไปมันก็ไม่ดีนะธาตุขันมันทําให้ท้องเสียได้นี่ก็เคยเป็นแม่จนได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเพราะนี่ทํามาซะจนจนรู้เรื่องของท้องมันทําเป็นประจำมาเลยไม่ทราบกี่ปีเลยเรื่อยมามอย่างนั้นออกจากหมู่จากเพื่อนไปมีตั้งแต่ทําเรื่องอันเดียวกันนี่ อีวันขาย้าชางมันหายไปเรืยก็เห็นว่ามันดีแต่พนันพนานไปฉันว่าเท่าไรมันไม่ย่อยเลยทายเอาหมดทายเอาหมดงั่นได้แค่เป็นที่หกพรษาหยุดนั่นกามันนั่นนะเพราะโอทอที่ได้เป็นทุกทีแหละหามันหักมันทำให้เพอใหไอ้อดพออดเล้วมันช่วยความเปลี่ยนได้ดีคล่องตัว ยิ่งปัญญาตนมัตด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งครั่งอพออุตสาหานลงไปนี่มันครั่งตัวเพราะปัญญาตนสติปัญญาตนมัตนีมันมีแต่หมุนติ่วติ่งเ mm. นี่ยถึงถึงขนาขั้นนั้นมันยังต้องเกี่ยวกับธาตุอยู่เหมือนกันบางครั้งที่มันเป็นไปโดยลาพังตัวเองแต่ความสะดวกความไม่สะดวกมันยังมีต่างกัน เราเห็นได้ชัดเลยฉันที่อดทีไรพรอมาฉันถ่ายหมดระยะเวลาวันที่16 15ไปถึง16นี่ไม่ค่อยอดหลายวันบ้างแหละสามวันสี่วันเท่านั้นก็ฉันมันก็ถ่ายจยได้น่ะเบื่อล้วมันไปเราเรามาฉันแล้วถึงหลายวันมันก็ยังถ่ายมันอยู่เรื่อย แต่เราไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องธาตุเรื่องขันยิ่งกว่าทำเพราะฉะนั้นธาตขันมันถึงได้เสียไปแต่นั้นแต่เราก็ไม่เสียดายหากเป็นการเตือนให้เพื่อนรู้ไว้ในเรื่องแบบนี้อืการอดนอนอยาในยาบทสามไม่ดีสำหรับผมเองถ้าอดนอนก็ให้แบบนั้นแหละแบบที่ว่าอยาบทเดียวนั่งเลยอันนี้ไม่มีพลาดเลย ไม่เคยปรากฏว่าคืนไหนได้พลาดจากความบริการธิ์ใในจิตไปเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามตรลุมบอลกันอย่างเต็มที่เต็มฐานเอาชีวิตเขาแรลต่อสู้กับทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างสาหัสในขณนะที่นั่งนานๆสติปัญญามันก็ช่วยตัวเองในขณนะนั้นเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยจะไปพึ่งเวลาเวลาก็ตรงกระทั่งพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ด้ในโเวลานี้เราไม่ได้ทมา พึ่งเวลานี่นะเราทําเพื่อพึ่งทำเราจะไปหาเอาสิ่งน้้นมาเป็นที่พึ่งมันใช้ไม่ได้เลยอปัญญาก็หมุนติ้วเมื่อจนกอกเป็นมูมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็ต้องช่วยตัวเองทุกเวทนาเกิดขึ้นมากอะไรมันยิ่งแยกยิ่งแย่ยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ละไม่ถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายหมุนอยู่นั่น สุดท้านมันก็รู้สึกนได้ลงสึกนได้ถึงฐานทุกคืนเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าได้มากน้อยต่างกันคืนที่มันสะดวกเลยอย่างนี้นกับประมาณสามสี่ทุ่มไปแล้วได้แล้วนะได้เป็นลงเป็นครั้งหนึ่งไปแล้วนะี่จากนั้นมันก็ลงของมันเรื่อยถอนขึ้มาเรื่อยลงเรื่อยนี่เดีย ว, วสะดวก บางคืนตั้งเที่ยงคืนยังเอาลงกันไม่ได้เลยก็มีนั่นแหละเดี๋ยว่าทุกข์มากที่สุดโอโ้โหแข้งขานี่มันตายไปเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ความสัมผัสความเพียงเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำมันก็ต่างกันถ้าจิตไม่ดีถ้าจิ ต, จตพิจารณาไม่ทัน กับเหตุการณ์ทึ่เกิดขึ้นภายในตัวเองถ้าจิตพิจารณาทันนะก็ธรรมดาธรรมดาถึงเวลาแนละ้วลุกออกไปเฉยไม่เห็นมีความทุกข์ลบากอะไรจิงทำให้เชื่อแน่ลงไปเริ่อบๆจิตเป็นสำคัญน่ะและยิ่งเวลาจิตเข้าสู่ ท, ท, ทั้งๆที่จิตนั้นมันก็มีกิเลสทั้งมันนะแต่มั น, น, มนตล่อยอะไรจะทั้งหมดเลยในะขณะนั้นเดือดจากความรู้ด้วน จนกระทั่งร่างกายก็หายหมดจริงๆนะเวลามันมันเข้าถึงขั้นความสงบของมันเต็มที่ในขั้นของสมาธิโดยที่อาศัยปัญญาเป็นเครื่อง <c oughs> ทําให้สงบให้รวมตรงเหนี้มันมันลงด้วยปัญญานะที่คือว่าปัญญาลงสมาธิหมายอย่างนี้เองถ้าลงด้จะลงถึงฐานขนาดนั้นผมไม่เคยลงด้วยสมาธิธรามาลงด้วยปัญญาเท่านั้นวาดฟันหันแหลกกันหนึ่งจนไม่มีที่ ติดต่อกันแล้วมันขาดสะบั้นมันลงไปเลยเที่นี่เหลือแต่ความสักแต่ว่านั่นฟังที่คือพูดอะไรอีกไม่ได้นะสักแต่ว่าเท่านั้นแต่ความอัศจรรย์นั้นเกินคาดเกินหมายนั่นถ้าลงได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วที่นี่นมันก็ทําให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเ จ, จา้าหรือพระพร ะ, ะ, ะพร ะ, ระเดเกศุฒิเจา้าท่านนั่งนิโรธสมาบัติเกิดฟันท่านนึ่งออกโ้ย น, นั่งอะไรก็เป็นไรถ้าลงไม่มีการมีสถานที่มี่แล้วถ้าไปเกี่ยวข้องกันแล้ว พี่กลับพี่กันก็นั่งเหมถึงร่างกายจะพังไปมันก็ไม่ได้รับทราบกันนี่นะงานมันเชื่ออย่างนั้นนะร่างกายมันทนไม่ไหวถึงกลับถึงการอย่างนั้นมันก็พังมันธรรมชาตินั้นมันก็เป็นธรรมชาตินั้นอย่างนั้นดังที่อะไรพระพุทธเจ้าพระพทุทธพระวจนพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านเขนโรธสมาบัติอยู่ที่นางสาวมอวดีด้วยท่านพา บริษัทบริวารไปอาบน้ําแล้วกันมาหนาวก็เลยมาเผาฝังผิงอ่ะแล้พอดีพระประหยูเท่าวท่านประทับอยู่ที่นั่นนั่นดิท่านเข้าร่วชาใหม่างั้นไฟไหม้ทันพ อ, พอพอไฟยุบไปเห็นพระประหยูเทีทย่ยวนั่งพากันโดดหนีวันนี้นั่นกรรมที่นางสาวดีถูกน้ำมากันทีเผาเพราะกรรมนี้ว่างั้น แล้วท่านก็เห็นเป็นอะไรพระประเดริบุรนะีแก้านั่นเองคือจิตของท่านไม่ออกมารับภาพถึงเรื่องอาการภายนอกเลยแม้แต่กิริยาของจิตท่านก็ไม่มีอะไรแสดงพูดไม่ได้ว่างั้นเราจะพูดอาการอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากหนึ่งอยู่เท่านั้นหนึ่งันั้นมันก็ไม่เหมือนหนึ่งทั้งหลายไ้่เลยนะคือจิตของเราสงบงมันมามาันก็เป็นหนึ่งแต่อันหนึ่งอันนั้นมันหนึ่ง เรื่อความแยกแยกออกอะไรจากอะไรหมดถ้าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยดินฟ้าอากาศสถานที่อะไรไม่ปรากฏหน่าหนักตัวซะจันแต่มันเป็นได้โดยการด้วยทางโดยทางปัญญาเนาะนะนผมเองนั่นแหะที่ว่าได้สะจันทุกวันคือได้อย่างนั้นนหละไม่นานก็ตามแต่ก็ได้อย่างนั้นไม่เคยพลาดแม้แต่คืนเดียว บรนดาที่เราเคยนั่งตลอดรุ่งมาไม่เคยมีพลาดแม้คืนเดียวที่ไม่เห็นอย่างนั้นหากไม่เห็นอยนั้นคงจะเสียใจมากเหมือนกันนะดีไม่ดีคืนหลังอาจจะฟาดกันอีกเพราะจิตเรามันเป็นนิสัยยัางยิงมันจริงมันจังอันนี้เลยชมอย่างนี้มันก็ได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้นาได้ยากลําบากต่างกันแี่ยปัญญาอุรสมาธิถึงขั้นหองเรื่องนี้ เรงเรีกว่าต่อแล้วมันเอากันจริงจอย่างจังก็ลงได้อย่างถึงใจแก่ทำให้เกิดความฆ้าหานชันชัยเพราะว่าร่วมพิจารณาเรื่องธาสก่อนชัดเจนว่าดินเป็นดินแตแท้น้ำเป็นน้ำแแท่ลมเป็นลมไฟเป็นไฟจริงๆใจเป็นใจจริงๆอย่างถึงใจอะไรมันตายอะไรมันตายพ่งานไปแล้วไม่มีอะไรตายเอ้ยโกหกกันแน่ให้ความตายมันก็ไม่มีมันไม่กลัว ถึงเวลาจะตาจะ เ, เวรานาหน้าไหนมาหลอกเราวะผมไม่ใช่เวรนาหน้านี้จะเป็นหน้าไหนนี่เราก็ได้พี่าะนาแล้วได้รู้แล้วว่าเป็นความจริงเต็มส่วนแล้ววันไหวกันที่ไหนจะทุกข์ทั้งกันที่ไหนกลัวกันที่ไหนไม่มีอะไรกลัวกันมีแต่ความจริงอยู่ด้วยกันนั่นเมื่อต่างกันต่าจริงแล้วก็ไม่กลัวกันแล้วก็ตอกอเตือนกันมันรู้ได้ชดัดหลวงปู่ทิมหนึ่ง ความถูกเจตนิสัยของเรานั่งในยาบทสามคือไม่นอนนี่มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์สำหรับผมเองมันไม่ได้อย่างถึงใจเหมือนกับนั่งแบบนี้นั่งแบบเอาตายสู้เลยมนะันได้ได้ทุกครั้งโดยนยังคงก็ไม่เคยตลอดลุ่มยัง4 5ชั่วโมงอยู่ในย่าน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ว่าไม่ได้นะ้บางทีเราฉันขันน้องฟาด น, นี่จะกระทั่งบาดก่อน ตอนปัญญาอัตโนมัตินี่นะมันไม่รู้่ะว่าเดินจงกลมมันช้ามันเร็วหรือว่าเดินนานหรือไม่นานไม่เคยไปสนใจจะวัดวิ่งเวลามันหมุนอยู่ติ้วติ้วอยู่ภายในจิตนึงมันก็เลยไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงแหละกัางวันแสกแสกมันตาแดดเดินอยู่ได้สบายสบายไม่มีไม่ปรากฏว่ามันมันร้อนมันอะไรนะมันลืมไปหมดจิดไม่ได้ออกหมุนติ้วติ้ว ตาเองก็ฟ้าฟางไปเพราะจิตไม่ออกตาก็เลยฟ้าฟางไปเดินก็ชนป่าชนสองฟาาทางไปบางทีก็ยืนซะก่อนทํามันเปงั้นน็อดนั่นเพินจริงๆถึงขั้นมันเพลินทึงเรียกว่าอุทธาจาัจจะคือเพลินจนลืมเนื่อดื ม, มตัวลืมทักก่อนทางด้านสมาธิมันก็เลยพอดีแเรวก็ไม่ค่อยจะกำหนดเวลาเวลา มือนคงไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงกลางคืนเราเคยตั้งเวลาพิรษีห้าชั่วโมงได้แต่กลางวันไม่ได้ตั้งมันที่ไมไ่สนใจกับมันนั่นแหละการต่อสู้กิเลสมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีนี้ทางมันเดินทางเดินมันก็ไปแถวนั้นนี่เราจะเอาความ สะดวกสบายครับไปว่าเพื่อจะได้อัดได้ทํามาตามพรบังการขหลเรามันก็ไม่มีทางมันมีทางเดียวเท่านี้เนอะเป็นก็ยากลําบากขนาดไหนก็สู้อืมทางไปตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนิสัยของเราเป็นไงอันนิสัยละเอียดนก็ไม่ยากอย่ง า, ง, างทั้งบัตการต้นที่จะมีนิสัยละเอียดอย่างตรงผมตรงนั้นน่ะพิจารณาผมแล้ว บรรลุธรรมเป็นอรหัตตะบคุคคลึ้นมาแล้วท่านพร้อมแล้วเนีว่าอุกติตนอยู่เหล่าอะไรก็มีอุกติตนอยู่วิปิฏฐิตนอยู่เนยยะเราก็ไม่อยากจะพูดเราอยากพูดจปะปะทะปรามะในพวกเราพวกปะทะปรามะมันว่างมันเมื่อแตะทิศแตะด้านหาทางไปทางมาไม่ได้แต่ก็บึกบืนตามกําลังเจ้าของ เมื่อปุ๋จิ๋งกอกอย่างเนยย่านเองผู้ที่ควรนําไปได้เนยย่าคนพระพุทธเจ้าควรนาควรลากคนทุ่มไปได้ทำของพระเจ้าพอลากพอจุ่มไปได้และทั้งหละหคนก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไม่เหมือนพกปัทถาประมะที่พวกเข้าเป็นคนไข้กับเข้าห้อง icu หมดหวังประเภทเหล่านี้เป็นประเภทหมดหวังไม่มี อะไรที่จะเป <ique> ็นประโยชน์แหละสำหรับคนคนนั้นเราไม่ใช่ประเภทนั้นก็ต้องต่อสู้ให้กินให้จังเอาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเวลานี้การปฏิบัติผู้ที่จะคอยแนะนำสั่งสอนหรือพาดำเนินก็แคบเข้าแคบไปแคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะโลกมันเหยียบย่ำทำลายพาการทราบรือย่างโลกก็คือโลกามิษณนั่นแหละ มันเหยียบย่ำทำนายมุ่งต้นข บ, บวดเข้ามาเพื่อแสวงหาธรรมกั้นต่อมาก็แสวงหาลาภจักระบูชาหาเงินหาทองไปใหญ่เลยเรื่องธรรมไม่ทราบหายหน้าไปไหนวิทยาท่าทางความคิดความอ่านต่างความปรุงต่างๆที่แสดงออกมาเรื่องแน่ตั้งแต่เรื่องเป็นโลกามิสทั้งหมดเหยียบย่ทำทานายหัวใจยืนเดินนั่ ง, น, งนอนดูกับสิ่งเหล่านี้ความคิดความปรุงเต็มลึกไปด้วยสิ่งเหล่านี้นนเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาหาธรรมที่จะ มาสัมผัสสัมผัสจิตใจแม่น้อยหนึหน่งมันไม่มีเลยอย่างนี้มีมากอย่างนี้รีบเห็นโทษเสียตั้งแต่บัดนี้เรื่องเป็นหนังนี้อยู่แล้วเวลานี้แล้วยังจะเป็นมากยิ่งกว่านี้ไปอีกเป็นไม่ไหนวัดแทนที่จะเป็นสถานที่เสาะแสวงหาธรรมหน้าที่การงานเป็นไปด้วยอัตยุทธธรรมมันกลายเป็นเรื่องของโลกเข้ามาเหยียบย่าทำลายภายในวัดภายในพระนินซะเองมากมาแต่กองไปแล้วเวลานี้อืมพากันสังเกตพากันพิจารณาให้รีบ ตักตวงตัวเองเสียนในการอันควรที่ทําได้สถานที่ก็เหมาะสมหมูเพื่อนก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเป็นกาลยาและมิจฉุตทั้งวัดทั้งวาต่างคนต่างมีใจเป็นอัดเป็นธรรมเหมือนเป็นอวัยวะอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมด้วยกันนี่เป็นความสะดวกสำหรับการอยู่แล้วก็เป็นความสะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพื่อ อ, อัดเพื่อทำทั้งหลายไอ้เรื่องแสลงหูเสลงตา น, นี่มันเป็นเรื่อง เป็นค่าศึกต่อจิตใจเป็นธรรมารมม์อยู่ภายในจิตใจให้คุณให้คิดให้เกิดความเดือดร้อนนุนวาดเพราะรายนั้นเพราอรายนี้พระ อ, องค์นั้นพระ อ, องค์นี้อย่างนี้มันมีอยู่มากอย่าให้มันมีภายในเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างมีจิตใจมุ่งต่อตะทําแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆเรื่องพิธีมานะ หนึ่งความถือเนื้อถือตัวถือสูงถือต่ำถือความรู้ความฉลาดทอันเป็นเรื่องของสมมุนที่โยมหรือเป็นเรื่องของกิเลสเกิดสรรมานั้นอย่าให้มันเข้ามาเหยียบย่ทำทาลายธรรมคือความจริงเลยให้ถือความจริงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้ใดทําถูกยอมรับ ก, กันทันทีนั่นคือนักธรรมะอะละจบการนี้ให้ท่านปาัญญาอธิบายหมกเพื่นอนกัน